พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่เก้าสุดตันตปิฎกโปตทะปาทสูตรสูตรว่าด้วยการโต้อตอบกับโปตทะปาทะบริภาชกพระผู้มีพระภาคประทับณเจตาวนารามใกล้กรุงสาวัตถีเช้าวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จสู่กรุงสาวัตถีเพื่อบินธบาตทรงเห็นว่ายัางเช้านักจึงเสด็จแวะไปที่มันลิการาม อันเป็นที่อยู่ของโปตถปาทัปริพาชกพร้อมด้วยบริษัทปริพาชกประมาณ3า0พันคนโปตถปาทัปริพาชกได้กล่าวต้อนรับและนิมนต์ให้นั่งบนอาสนะตนเองนั่งเหนืออาสนะที่ต่ำกว่าครั้นแล้วโปตถปาทปริพาชกได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับอภิสัญญานิโรธคือการดับความจำได้หมายรู้อันยิ่งใหญ่ ซึ่งเคยเป็นปัญหาถกเถียงกันในหมู่สมณพราหมณ์เจ้าลัทธิต่างๆมาแล้วรวมสี่ประเด็นคือ 1. สมณพราหมณ์บางพวกเห็นว่าสัญญาหรือความจำได้หมายรู้ของคนเกิดขึ้นบ้างดับไปบ้างโดยไม่มีเหตุปัจจัยเมื่อเกิดขึ้นคนก็มีสัญญาเมื่อดับไปคนก็ไม่มีสัญญา 2. พวกอื่นกล่าวคัด้านว่าไม่เป็นเช่นนั้นสัญญานั่นแหละเป็นอัตตาตัวตนของคนอัตตานั้นเข้ามาบ้างออกไปบ้างเมื่อเข้ามาคนก็มีสัญญาเมื่อออกไปคนก็ไม่มีสัญญา 3. พวกอื่นคัด้านว่าไม่เป็นเช่นนั้นที่แท้มีสมณะพรามที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก สมณพราหมณ์เหล่านั้นนําเข้าได้นําออกได้ซึ่งสัญญาของคนเมื่อนําเข้าคนก็มีสัญญาเมื่อนําออกคนก็ไม่มีสัญญาสพวกอื่นคัดค้านว่าไม่เป็นเช่นนั้นที่แท้มีเทพผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเทพเหล่านั้นนําเข้าได้นําออกได้ซึ่งสัญญาของคน เมื่อนำเข้าคนก็มีสัญญาเมื่อนำออกคนก็ไม่มีสัญญาโพธะปาทัปริภาชกกล่าวต่อไปว่าข้าพระองค์ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคว่าเป็นผู้ฉลาดในธรรมเหล่านี้เป็นผู้รู้ปกติของอภิสัญญานิโรธอภิสัญญานิโรธเป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสมณพราหมณ์ที่กล่าวว่าสัญญาของคนเกิดขึ้นดับไปโดยไม่มีเหตุปัจจัยนั้นนับว่ามีความผิดพลาดแต่เบื้องต้นเพราะสัญญาของคนเกิดขึ้นดับไปโดยมีเหตุปัจจัยคือสัญญาอันหนึ่งย่อมเกิดขึ้นเพราะสิกขาคือการศึกษาหรือสำเนียกทางพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นสามคือ ศีลสิกขาการศึกษาในศีลจิตตสิกขาการศึกษาในสมาธิและปัญญาสิกขาการศึกษาในปัญญาสัญญาอันหนึ่งยอมดับไปเพราะสิกขาครั้นแล้วตรัสพันนาถึงการที่กุลบุตรออกบวชตั้งอยู่ในศีลสามชั้นตามที่กล่าวแล้วในสามัญญพลสูตรบำเพ็ญสมาธิจนได้ฌานที่หนึ่ง เมื่อได้ฌานที่หนึ่งแล้วการมาสัญญาคือความจำได้หมายรู้ในกามคืออารมณ์ที่น่าใคร่เมื่อได้ฌานที่หนึ่งแล้วการมาสัญญาที่เคยมีก็ย่อมดับไปสัญญาอันละเอียดอันเป็นจริงในปีติคือความอิ่มใจและสุขอันเกิดแต่ความสงัดย่อมมีในสมัยนั้นนี้คือสัญญาอันหนึ่งเกิดขึ้นเพราะสิกขาสัญญาอันหนึ่ง ย่อมดับไปเพราะสิกขาในชานที่สองสัญญาอันสุ ข, ขุมอันละเอียดเป็นจริงในปีติและสุขย่อมดับไปสัญญาอันสุ ข, ขุมอันละเอียดเป็นจริงในปีติสุขอันเกิดแต่สมาธิย่อมมีในสมัยนั้นในชานที่สามสัญญาอันสุขขุม อันละเอียดเป็นจริงในปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิย่อมดับไปสัญญาอันเป็นสุขอันละเอียดเป็นจริงในอุเบกขาคือความวางเฉยและสุขย่อมมีในสมัยนั้นในชาตที่สสัญญาอันสุขขุมอันละเอียดเป็นจริงในอุเบกขาและสุขย่อมดับไปสัญญาอันสุขขุม อันละเอียดเป็นจริงในความไม่ทุกไม่สุขย่อมมีในสมัยนั้นในอรูปประชานที่หนึ่งคืออากาสานัญจายตนะรูปสัญญาหรือความจำได้หมายรู้ในรูปย่อมดับไปสัญญาอันสุขขุมอันละเอียดเป็นจริงในอากาสานัญจายตนะคืออรูปประชานที่มีอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ ย่อมมีในสมัยนั้นในอรูปฌานที่สองคือวิญญาณัญจายตนะสัญญาอันสุขุมอันละเอียดเป็นจริงในอากาสานัญจายตนะย่อมดับไปสัญญาอันสุขขุมอันละเอียด응เป็นจริงในวิญญาณัญจายตนะคืออรูปฌานที่มีวิญญาณไม่สิ้นสุดเป็นอารมณ์ย่อมมีในสมัยนั้น ในอรูปฌานที่สคืออากินจัญญายตนะสัญญาอันสุขขุมอันละเอียดเป็นจริงในวิญญาณัญจายตนะย่อมดับไปสัญญาอันสุขขุมอันละเอียดเป็นจริงในอากินจัญญายตนะคืออรูปฌานที่มีความคิดว่าไม่มีอะไรแม้เล็กน้อยเป็นอารมณ์ย่อมมีในสมัยนั้น ภิกษุที่มีสัญญาของตนพ้นจากสัญญานั้นๆแล้วก็ถูกต้องสัญญาอันเลิศขึ้นไปโดยลําดับเมื่อตั้งอยู่ในสัญญาอันเลิศแล้วก็คิดว่าการคิดไม่ดีไม่คิดดีกว่าเพราะเมื่อคิดปรุงแต่งสัญญาอันเลิศก็จะดับไปสัญญาอันยาก็จะเกิดขึ้นเธอจึงไม่คิดไม่ปรุงแต่งเมื่อไม่คิดไม่ปรุงแต่ง สัญญานั้นซึ่งหมายถึงสัญญาอันเลิศก็ดับไปสัญญาหยาบอันอื่นก็ไม่เกิดขึ้นเธอจึงชื่อว่าถูกต้องหรือได้บรรลุนิโรธคือความดับหมายเหตุข้อความเป็นลาดับมาตั้งแต่ข้อ1ถึงแแสดงการที่สัญญาอันหนึ่งดับไปสัญญาอันหนึ่งเกิดขึ้นแทนดีขึ้นกว่าสัญญาเดิมเรื่อยๆจนในที่สุดเมื่อเลิกคิดเลิกปรุงแตง่ง สัญญาก็ดับไปเป็นคำตอบปัญหาของโปตถะปาธาปริภาชกที่อยากรู้ความดับอภิสัญญาคือสัญญาใหม่หมายถึงสัญญาชั้นสูงอย่างชัดเจนตามหลักวิชาปฏิบัติทางรูปฌานและอรูปฌานเมื่อตรัสอธิบายอย่างนี้แล้วจึงตรัสถามโปตถะปาธาปริภาชกว่าท่านเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือไม่ถึงการเข้าสมาบัติ ทั้งทั้งที่มีความรู้ตัวในการดับอภิสัญญาตามลำดับชนิดนี้ซึ่งปริภาชกตอบว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเพิ่งมาได้ทราบตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอย่างนี้ข้อซักถามเพิ่มเติมโปตถะปาทะปริภาชกกราบทูลถามเพิ่มเติม และพระผู้มีพระภาคตรัสตอบเป็นข้อๆดังต่อไปนี้ 1. ทูลถามว่าทรงบัญญัติสัญญาอันเลิศอันเดียวหรือมากตรัสตอบว่าบัญญัติทั้งอันเดียวทั้งมากตามความจริงที่จะถูกต้องหรือบรรลุนิโรธได้ 2. ทูลถามว่าสัญญาคือความจําได้หมายรู้เกิดก่อน ญาณคือความรู้เกิดที่หลังหรือว่าญาณเกิดก่อนสัญญาเกิดที่หลังหรือว่าสัญญากับญาณเกิดพร้อมกันตรัสตอบว่าสัญญาเกิดก่อนญาณเกิดที่หลัง 3. ทูลถามว่าสัญญาเป็นอัตตาคือตัวตนของคนหรือว่าสัญญากับอัตตาเป็นคนละอันไม่ใช่อันเดียวกัน ตรัสซักว่าอัตตาตามที่ท่านเข้าใจเป็นอย่างไรทูลตอบว่าอัตตาตามที่ตนเข้าใจคือมีรูปประกอบด้วยธาตุสี่กินอาหารเป็นคำคำตรัสว่าอัตตาของท่านเป็นอัตตาอย่างหยาบถ้าเป็นเช่นนั้นสัญญาก็เป็นอย่างหนึ่งอัตตาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะอัตตายังตั้งอยู่นั่นแหละสัญญาอันหนึ่งเกิดขึ้น อีกอันหนึ่งดับไปในข้อนี้ปริภาชกชี้อัตตาไปที่ร่างกายจึงตรัสตอบตามที่เขาชี้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นสัญญากับอัตตาก็คนละอัน 4. ทูลต่อไปว่าตนเข้าใจว่าสัญญาสำเร็จขึ้นจากใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งปวงมีอินทรีย์อันไม่บกพร่อง สำหรับอินทรีย์ในที่นี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่และอย่างเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนตรัสตอบว่าถ้าอย่างนั้นสัญญาก็เป็นอย่างอื่นอัตตาก็เป็นอย่างอื่นเพราะอัตตาที่สำเร็จด้วยใจอย่างตั้งอยู่นั่นแหละสัญญาอันหนึ่งเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็ดับไปในข้อนี้ปริภาชก พูดอธิบายเพิ่มเติมลักษณะของอัตตาตามความเข้าใจของตนว่าอัตตาเกิดจากใจห้าทูลต่อไปว่าตนเข้าใจว่าอัตตาไม่มีรูปเป็นของเกิดแต่สัญญาตรัสตอบว่าถ้าอย่างนั้นสัญญาก็เป็นอย่างอื่นอัตตาก็เป็นอย่างอื่นเพราะอัตตาไม่มีรูปเป็นของเกิดแต่สัญญาอย่างตั้งอยู่นั่นแหละ สัญญาอันหนึ่งเกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็ดับไป 6. ทูลถามว่าตนคือผู้ถามอาจหรือไม่ที่จะรู้ว่าสัญญาเป็นอัตตาของคนหรือว่าสัญญาเป็นอย่างอื่นอัตตาเป็นอย่างอื่นตรัสตอบว่าปูตถาปาทพาริภาชกมีความเห็นอย่างอื่นมีความชอบใจอย่างอื่นคือคนและศาสนา จึงยากที่จะรู้ได้ทูลถามต่อไปตามแนวทิฏฐิสิบที่เกี่ยวด้วยส่วนสุดว่าถ้าอย่างนั้นโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอันสัตว์ตายแล้วเกิดหรือไม่สัตว์ตายแล้วทั้งเกิดทั้งไม่เกิดหรือว่าเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ ซึ่งแบ่งออกเป็นห้าหมวดหมวดละสองข้อจึงเป็นสิบตรัสตอบเป็นข้อๆว่าพระองค์ไม่ทรงพยากรณ์ในที่นี้หมายถึงทำให้แจ้งคือตอบหรืออธิบายไม่ใช่ทํานายอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจนะครับพระองค์ไม่ทรงพยากรณ์คือไม่อธิบายปัญหานั้นเพราะไม่มีประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน เจ็ดทูลถามว่าถ้าอย่างนั้นทรงพยากรณ์อะไรตรัสตอบว่าทรงพยากรณ์เรื่องทุกขเหตุให้ทุกเกิดความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เพราะมีประโยชน์และเป็นไปเพื่อนิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคก็เสด็จลุกจากอาสนะไปต่อมาอีกสองถึงสมวันจิตตะผู้เป็นบุตรแห่งนายควานช้าง กับโปตถาปาทะบริพาชกได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคโปตถาปาทะบริพาชกกราบทูลเล่าว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับคือในวันที่เสด็จไปนัมมาลิการามนั้นพวกบริพาชกพากันกล่าวแดกดันข้าพระองค์ว่าไม่ว่าพระองค์ตรัสอะไรข้าพระองค์กราบทูลรับรองไปหมดว่ า, ย า, าอย่างนั้นพระเจ้าข่าอย่างนี้พระเจ้าข่า พวกเขาไม่เห็นเลยว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมแง่เดียวคือบอกยืนยันให้แน่ลงไปในแง่เดียวว่าโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นต้นข้าพระองค์ตอบไปว่าเมื่อพระสมณะโคดมแสดงปฏิปทาอันจริงแท้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมวินยูบุรุษเช่นข้าพระเจ้าจะไม่รับรองสุภาษิตโดยความเป็นสุภาษิตได้อย่างไร ทรงชี้แจงเรื่องแสดงธรรมแง่เดียวหลายแง่ตรัส ต, ตอบว่าทรงแสดงธรรมแง่เดียวคือเอกังสิกะก็มีทรงแสดงธรรมหลายแง่คืออนเนกังสิกะก็มีที่ทรงแสดงธรรมหลายแง่ก็คือเรื่องโลกเที่ยงไม่เที่ยงโลกมีที่สุดไม่มีที่สุดเป็นต้นที่ทรงแสดงธรรมแง่เดียวคือเรื่องทุก เหตุให้ทุกเกิดความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ตรัสเล่าต่อไปว่าพระองค์เคยเสด็จเข้าไปหาสมณพราหมณ์พวกที่มีความเห็นมีวาทะว่าเมื่อตายไปแล้วอัตตาจะมีความสุขโดยส่วนเดียวไม่มีโรคแล้วสักถามว่าท่านรู้เห็นโลกซึ่งมีความสุขโดยส่วนเดียวหรือเปล่าก็ตอบว่าเปล่า ถามว่าท่านรู้สึกอัตตาที่มีความสุขโดยส่วนเดียวสักคืนหนึ่งวันหนึ่งหรือครึ่งคืนครึ่งวันหรือก็ตอบว่าเปล่าถามว่าท่านรู้จักหนทางหรือข้อปฏิบัติที่จะบรลรลุรรร ถ, ถึงโลกที่มีความสุขโดยส่วนเดียวหรือเปล่าก็ตอบว่าเปล่าถามต่อไปอีกว่าท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้บรรลุโลกที่มีความสุขโดยส่วนเดียวหรือเปล่า ก็ตอบว่าเปล่าอีกคำพูดของสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงชื่อว่าไม่มีปาฏิหาริไม่ใช่หรือโปตถะปาทับริภาชกรับว่าไม่มีปาฏิหาริเลื่อนลอยครั้นแล้วทรงเปรียบพวกที่กล่าวว่าเมื่อตายไปแล้วอัตตาจะมีความสุขโดยส่วนเดียวไม่มีโรคแต่ไม่รู้อะไรจริงจังเลยเกี่ยวกับข้อที่ตนกล่าวนั้น ว่าเปรียบเหมือนคนที่รักหญิงงามชาวชนบทแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครชื่อไรสกุลอะไรอยู่ที่ไหนหรือเปรียบเหมือนคนตั้งบันไดขึ้นบนทางสีแป้งเพื่อจะขึ้นปราสาทแต่ไม่รู้ว่าปราสาทอยู่ในทิศใดสูงต่ำหรือปานกลางอย่างไรต่อจากนั้นทรงแสดงการได้อัตราสามประเภทคือการได้อัตราหยาบ ซึ่งมีรูปประกอบด้วยธาตุสี่กินอาหารเป็นคำคำการได้อัตตามีรูปซึ่งเกิดจากใจการได้อัตตาที่ไม่มีรูปซึ่งเกิดจากสัญญาโดยใจความคือทรงแสดงการได้อัตภาพในการมาพบเช่นมนุษย์และสัตว์ทั่วไปรวมทั้งเทพชั้นกามาวจรเป็นประเภทอัตตายาทรงแสดงการได้อัตภาพในรูปภพคืออัตภาพของรูปประพรม และทรงแสดงการได้อัตภาพในอรูปภพคืออัตตาของอรูปรลมรมไม่มีรูปสำหรับข้อสุดท้ายนี้ทรงใช้คําว่าอัตตาตามชาวโลกแต่ถือเพียงว่าเป็นโวาหารหรือคาพูดของชาวโลกแต่ไม่ทรงยึดถือตามข้อความท้ายพระสูตรนี้แล้วทรงชี้ให้เห็นว่าทรงแสดงธรรม เพื่อให้ละอัตตาสามประเภทนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะละธรรมที่ทำให้เศร้าหมองและมีธรรมอันพองแผ้วเจริญยิ่งทำให้บรรลุความเป็นผู้สมบูรณ์ภัยบูรด้วยปัญญาในปัจจุบันและแม้จะมีใครกล่าวว่าการได้บรรลุสภาพเช่นนั้นทำให้เป็นทุกข์ก็ทรงแสดงได้ว่ามีความปราโมดความอิ่มใจความสงบมีสติสัมปชัญญะและความอยู่เป็นสุข ประเด็นสำคัญในตอนนี้มีอยู่ว่ามีสมณะพราหมณ์บางพวกกล่าวว่าเมื่อตายแล้วอัตตาจะเป็นสุขแต่ตัวเองไม่รู้ไม่เห็นและไม่ทราบข้อปฏิบัติส่วนทางพระพุทธศาสนาแทนที่จะสอนให้บรรลุอัตตากลับสอนให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อละอัตตาแล้วชี้ได้ด้วยว่าอัตตามีสามประเภทถ้าละได้ก็จะมีสุข ทรงเปรียบให้ฟังว่าการสอนอย่างชี้ข้อปฏิบัติเพื่อละอัตตาได้นี้เปรียบเหมือนตั้งบันไดขึ้นสู่ปราสาทซึ่งมีปราสาทอยู่จริงๆไม่ใช่ชี้ไม่ได้ต่อจากนั้นทรงอธิบายรับรองความเห็นของจิตตะบุตรแห่งนายควานช้างซึ่งไปเฝ้าพร้อมกับโปูตถะปาทะปริภาชกที่ว่าเมื่ออยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งอัตตก็ไม่อยู่ในสภาพอื่นเช่น เมื่อได้อัตตาหยาบก็ไม่อยู่ในสภาพอัตตาละเอียดมีรูปเกิดจากใจหรือไม่มีรูปเกิดจากสัญญาเมื่ออยู่ในตอนไหนก็จริงในตอนนั้นตอนอื่นไม่จริงเปรียบเหมือนน้ำนมนมส้มเนยข้นเนยใสก็เนยใสตอนไหนเป็นอะไรก็ไม่เป็นอย่างอื่นทรงสรุปในที่สุดว่าถ้อยคำเรื่องอัตตาเหล่านี้ เป็นเพียงโลกะสมัญญาคือชื่อทางโลกโลกะเนิรุติคำพูดของโลกโลกะโวหารโวหารทางโลกและโลกะบัญญัติคือบัญญัติทางโลกซึ่งตถาคตก็พูดด้วยถ้อยคำเหล่านั้นแต่ไม่ยึดถือเมื่อจบพระธรรมเทศนาโอตถาปาทบริภาชกสรนเสริญพระธรรมเทศนา แสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตส่วนจิตตะบุรแห่งนายควานช้างขอบวดแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันในการต่อมาไม่นาน